แล้วทุกคนได้เชื่อว่าเป็นผู้สแสวงหาความสุขมันเพราะเหตุเพราะมันมีทุกข์ประจำอยู่ร่างกายจิตใจนี่ทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการปรารถนา เพราะเหตุนั้นน่มันจึงริ้นนนแสวงหาความสุขกันแต่คนที่ไม่รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าน่มันจะไปแสวงหาแต่ความสุขชั่วคราวสุขในการกินสุขในการนอนสุขในการเพลิดเพลินในมรรสขขอกคบงัน สุขในลาบในยศในสนเสริญสุขในความเป็นผู้มีเงินมีทองมากมีเฟอร์นิเจอร์สิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้มากมายมนุษย์เราแสวงหาความสุขอย่างว่านี่แหละเก้าสิบเปอร์เซนนั่นแหละ ผู้ที่แสวงหาความสุขอันเป็นแก่นสารนั้นมีประมาณสักสิบเปอร์เซนตความสุขอันเป็นแก่นสารนั้นสุขอยู่ที่จิตใจทําใจให้สงบระงับจากกิเลสบาปธรรมต่างๆให้ได้ก็จะได้ประสบความสุขอันเป็นแก่นสาร ความสุขมันอยู่ที่ใจสงบใจตั้งมั่นใจไม่หวนไหอ ไ, ไปตามกระแสของโลกไม่หวนไหวไปตามความเสื่อมความเจริญของโลกท่านจึงเรียกว่าเป็นความสุขอันเป็นแก่นสารเราจะไปหาที่อื่นไม่พบความสุขนั้นนะเราหา พบได้ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเองถ้าใจดวงนี้ฟุ้งซ่านวุ่นวายแล้วก็หาความสุขไม่พบแล้วนั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายยืนก็ไม่สบายเดินไปก็ไม่สบายถ้าจิตใจดวงนี้มันฟุ้งซ่านเรื่อนลอยแล้วมันถูกกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเขาเอา ถ้าไม่ใช่ความโลภ ก, กับความโกรธมันเผาหรือไม่ใช่นี่ยกับความหลงความเมาความไม่รู้แจ้งในร่างกายสังขารเมื่อร่างกายวิบัติโรคภัยคเจ็บเบียดเบียนมากกับกลัวตายอดทนต่อความทุกขเวทนาไม่ได้ก็ดี่นนนกระสับกระายเนี่ยลักษณะอย่างความทุกขใจมันแสดงออกทางกาย เพราะว่าจิตนี่มันอาศัยอยู่กายนี้จิตนี้ไม่มีรูปร่างอะไรเป็นแต่วความรู้สึกเท่านั้นดังนั้นอ่ะมันจึงแสดงออกทางกายแบบนี้มันมีอิทธิพลไม่ใช่น้อยออาทำให้กายนี่หวัดไววไปมาดิ่นล้นกระเสือกกระสนมันแสดงถึงจิตใจนวนมันวุ่นวาย ให้เข้าใจถ้าหากว่าใจสงบลงได้เช่นนี้แล้วร่างกายก็สงบไปตามกันเพราะฉะนั้นทุกคนได้พึ่งเข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปคอยหาคนหมู่มากมาฝึกฝนอบรมตนเสียก่อนแล้วเราจึงจะฝึกฝนอบรมตนได้ ถ้าคนหมู่มากไม่เห็นดีไม่ยินดีฝึกผลตนก็ถือว่าการกระทำนั้นไม่มีผลดีมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าจิตมีตรงเดียวของใครของมันใครจะทำเผื่อใครก็ไม่ได้การฝึกผลจิตนี่นะต่างคนต่างต้องฝึกตัวเองเอา ต้องสำรวมจิตตัวเองเอาด้วยตนเองเอมันยึงค่อยได้แต่ว่าก็ต้องอาศัยอยู่กับมูที่มีความคิดความเห็นเหมือนกันแต่เวลาสำรวมจิตผุกจิตก็ตัวผู้เดียวตัวใครตัวมันสำรวมจิตของตนเอาเองเอาบางคน จิตตัวเองวุว่นวายเดือดร้อนไปโทษผู้อื่นหาว่าคนนู้นเน่ะคนนี้เนี่ะทำตนให้เดือดร้อนอตอนไม่สบายก็เพราะคนนั้นเป็นเหตุมายั่วยวนมากระทบกระทั่งอะไรต่ออะไรนั่นเข้าใจผิดไปก็ในโลกอันนี้เนี่ยมันไม่เที่ยงก็ยังว่านั่นไง เมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ต้องมีการเคลื่อนไหวไปมากระทบกระทั่งพราะจิตใจของคนมันก็ต ก, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสจะให้มันสงบระ ง, งับอยู่ได้อย่างไรเราต้องเรียนรู้เมื่อจิตใจอยู่ใต้อำนาจของกิเลสแล้วถึงเวลากิเลสมันมีอิทธิพลมันก็ปั่นจิตใจให้ วุ่นวายเดือดร้อนกระทบกระทั่งคนอื่นเข้าไปบ้างอันนี้มันเป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้ผู้รู้อย่างนี้แล้วผมไม่ไปโทษคนอื่นเขาเพราะว่าคนนั้นอะยังรู้อานาจแก่กิเลสอยู่เขายังเอาชนะกิเลสอย่างนั้นไม่ได้เขาจึงแสดงออกมาทางกายทางวาจากระทบกับคนอื่นไอเรานี่สิ เมื่อต้องการความสุขแล้วก็ยหวหันไหวกับสิ่งที่มากระทบนั้นอย่าไปสํำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราอะไรให้นึ ก, กว่าเป็นในเพียงสังขารเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปอย่าให้มีสัตว์มีบุคคลมาอยู่ในใจนี้ นี่ได้ว่าเราพิจารณาโดยทางปรมัตถธรรมพิจารณาให้เข้าถึงธรรมของจริงมันจึงเก็บค้นจากความเสียใจดีใจความโกรธความเกียดอะไรต่ออะไรหมดเนี่ยถ้าหากว่าลสมมุติต่างเหล่านี้ไม่ได้แล้วคิดไม่อย่างลงสู่ปรมัตถธรรมเช่นนี้ก็เดือดร้อนแน่ นี่นหะการอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะที่มันเดือดร้อนนะก็เระเหตุว่าต่างคนต่างก็ไม่ได้ฝึกจิตของตนให้อย่างเข้าถึงปรมตท ธ, ธรรมมันสำคัญว่าเขาอย่างนั้นเราอย่างนี้อะไรอยู่อย่างนั้นเนะ่ยมันก็เดือดร้อนสินั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราได้ เสียสละอะไรต่ออะไรมาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้แล้วต้องให้อย่างให้มันเข้าถึงแก่นแห่งธรรมให้ได้อย่าไปติดอยู่เพียงแค่เปลือกกระพี้แห่งธรรมเท่านั้นบางคนก็ว่ามันเป็นธรรมอันลึกซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้อันนั้นเรียกว่า เป็นผู้ถือทิฏฐิคือความเห็นกั้นไว้เสียแล้วมันจะมีอย่างลงถึงได้ยังไงอ่ะแล้วปฏิเสธไว้ก่อนแล้วเนี่ยแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ลึกไม่ใช่ตื้นนะมันก็อยู่แค่ดวงจิตนี้เองไนงะมรดธรรมทั้งหลายที่เป็น โรกีก็ดีเป็นโลกุตระก็ดีคนมาพาเปลียนพยายามน้อมสติสมปรัญนะอย่างเข้าไปให้ถึงจิตคือความรู้สึกอยู่ภายในกายนี่นะ่ะควบคุมจิตคือความรู้สึกอันนี้นะให้มันตั้งมั่นอยู่ได้ด้วยดีแล้ว ยอมมองเห็นธรรมที่เป็นโลกียะโลกุตระได้เป็นอย่างดีโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมที่อยู่เหนือโลกเมื่อจิตของผู้ใดมารู้แจ้งสมมุติบัญญัติ ด, ดังกล่าวมานั้นฝึกจิตยกจิตของตนให้สูงขึ้นไม่วันไวต่อคำสรรเสริญละนินทา ว่าร้ายต่างๆซึ่งเป็นกิเลสของคนอื่นเขาหยิบยื่นมาใหไ้ไม่ไม่รับเอาไม่ยึดไม่ถือเอากิเลสของคนอื่นมาเผาตัวเองยกขิดของตัวเองให้สูงไว้ด้วยสติด้วยปัญญารู้เท่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้น มันไม่วันไหวไปตามอืมถ้าเป็นอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆไปอท่านเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าทำอยู่เหนือโลกหรือเหนือโลกกระทำก็ว่าได้อืเมื่อมีลาบมาแล้วลาบนั้นเสื่อมไปก็ไม่เสียใจเมื่อมีลาบมาก็ไม่ดีใจไม่เพลิดเพลินกับลาบนั้น เมื่อมียศมาก็ไม่ดีอกดีใจเพราะยศเมื่อยศนั่นเสื่อมไปก็ไม่เสียใจเมื่อมีสรรเสริญมาก็ไม่เพลิดเพลินไปตามคำยุคโยสรรเสริญของคนเมื่อถูกนินทาว่าไร่ต่างๆมาก็ไม่หวนไหวไปตามคำนินทาของคนนั่น เพราะนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอบช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแต่พระปฏิมาก็ยังราทินชะไหนมนิษมนุษย์เดินดินจกสิ้นคนนินทานักปราชญ์โบราณท่านกล่าวไว้ว่าไม่มีผิดและว่าถูกต้อง <c oughs> แต่พระพุทธรูป น, นประทับอยู่บนแท่นนั่น ไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครคนก็ยังเป็นตาหนิติเตียนว่าตรงนั้นไม่สวยตรงนี้สวยอะไรต่ออะไรมันไปวิจารณ์กันอยู่นะ น, นะอย่างนี้เนี่ยสากอะไรคนธรรมดาเนี่ยจะไม่ถูกดินทาไม่มีในโลกจะไม่ได้รับสรรเสริญก็ไม่มีเช่นเดียวกันเมื่อใครเขาพอใจเขาก็สรรเสริญให้ ถ้าเมื่อใครเขาไม่ชอบใจเขาก็นินทาอันนี้เป็นธรรมของเก่ามีมาแต่ดึกดำันอืมถึงเราจะเกิดมาก็ตามไม่เคยก็ช่างธรรมเหล่านี้หากมีอยู่อย่างนี้ในเมื่อมีหมู่มนุษย์นี่อยู่ตราบใดโลกธรรมทั้งแปดประการดังกล่าวมานั้นก็มีอยู่อย่างนั้นอืม แต่ว่ามันไม่เที่ยงพระศาสนาจึงสอนให้รู้เท่าตามเป็นจริงเมื่อนมันมีเกิดขึ้นแล้วมันก็มีดับไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นถ้าผู้ใดไม่รู้เท่าจิตใจก็หวันไวเป็นทุกข์เดือดร้อนตามมีลาบก็เป็นทุกข์เพราะลาบนั่นแหละถ้าไม่รู้เท่านะมียศก็เป็นทุกข์เพราะยศนั้น ได้รับคำสนสัสนุนเยินโยกก็เป็นทุกข์เพราะคำสนสัสนุนั่นแหละได้รับความสุขสบายกายสบายใจก็เป็นทุกข์เพราะความสุขอันนั้นแหละเพราะอะไรจึงเป็นทุกข์เพราะความสุขเหล่านั้นมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไปไปแล้วเมื่อความสุขนั้นเสื่อมไปความทุกข์เกิดขึ้นมาแทน ก็หวนอะไรความสุขที่ตนได้เคยได้รับมาแต่ก่อนก็เดือดร้อนใจก็แต่ก่อนนี้เราเป็นสุขสมายโลกภัยก็ไม่เบียดเบียนมีเงินมีทองใช้มีพี่น้องมีมิตรสหายเยอะแยะมันี้เงินทองก็หมดไปมิตรจัดสหายพี่น้องก็ไม่มองหน้าบนพี่ไล่ยลำพันไปนั่นเนี่ย ในละโลกกระทำมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้เท่าก็ปล่อยให้มันครอบงำกลายครอบงำใจมันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนจึงเบียดเบียนซึ่งกันและกัน mm hmm. กหมายเขาว่าโลกกรรมำแปดอย่างนั้นถ้าผูใ้ใดไม่ศึกษาให้รู้เท่าเอาทันแล้วล้วนแต่เป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะทุกคนในย่อมได้ประสบเจนนน เส้นมียศมามีคนสรรเสริญเยินยบางครั้งบางคราวขึ้นมาไอ้ตนบางเอิญพลังเผอไปทำผิดเข้าไปทำพลาดเข้าไปมีคนดินทาเข้าไปอย่างนี้นะมันมีอยู่ประจำทุกคนเลยอันนี้ยทำคุณงามความดีไป เขาก็สรรเสริญเยินยอสำหรับผู้เห็นดีเห็นชอบด้วยขันผู้ที่มันอิจฉาริษยานั่นมันก็ไม่ไม่เห็นชอบหาถ้าขัดขว้างหาถ้าทาลายอย่างนี้นะแม้เราจะทำดียังไงเขาก็ว่าทำไม่ดีนี่ไอคนที่ชอบอิจฉาผู้อื่นนะ่นน่ะมันเป็นอย่างนั้น ไปถือเอาความไม่ดีของเขาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นะเป็นเหตุยกเครื่องกล่าวโทษเขาซะอย่างรุนแรงส่วนความดาีที่เขาทำมามากๆนั้นไม่คำนึงถึงออนี่แหละมูลเหตุที่คนเราอยู่ร่วมกันมันสงบสุขอยู่ไม่ได้มันอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขไม่ได้ก็เพราะไม่รู้แจ้งในโลกธรรมนี่เอง ก็เพราะความถือมั่นในเรื่องเล็กๆน้อยๆคนเรานะ่ะเมื่อยังไม่ยังละอาสวะกิเลสไม่หมดยังมีกิเลสอยู่เนี่ยจะให้มันสงบหรือทำอะไรพูดอะไรจะให้มันถูกต้องไปหมดทุกอย่างมันไม่ได้ในเมื่อกิเลส มันกำเลิกขึ้นมามันก็แสดงบทบาททางไม่ดีออกไปมันเป็นอย่างนั้นแต่เรานั้นอยู่ร่วมกันน่ะที่มันจะเป็นสุขอยู่ได้ก็เพราะเรารู้จักนิสัยของกันและกันผู้นั้นมีนิสัยอย่างนั้นผู้ผู้นี้มีนิสัยอย่างนี้เราก็อ่านนิสัยกันให้มันออกเมื่ออ่านนิสัยออกก็ททำความรู้เท่า เราอยากรู้จักว่าผู้ใดเป็นคนดีพอที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์กันไปได้เราก็ดูที่ผลงานนี่เมื่อผู้ใดทำการทำงานเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างนี้ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยเมื่อยล้า อ, อย่างนี้นั่นแหละผู้นั้นถึงแม้ว่ามันจะมีผิดมีพลาดอยู่บ้างเี้ การแสดงออกทางกาทางวาจานี่เราก็ควรให้อภัยเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละคนใดไม่ทำงานอะไรเป็นชิ้นเินอันพอจะให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอะไรได้ขอแต่จะตาหนิตีเตียนผู้อื่นเป็นพื้นอย่างนี้นะมันใช้ไม่ได้อย่างนั้นนะนิสัยอย่างนั้นอย่าไปอย่าเอาอย่าให้มันมี ขึ้นในจิตใจของตนเข้าทำนองโบราณท่านว่ามือไม้พายแล้วก็เอาเท้าราน้ำอย่างนี้ไม่ดีทางที่ดีเราต้องตั้งใจทำหน้าที่การงานกิจวัตรต่างๆให้มันเหมือนกันต่างคนต่างตั้งใจทำเพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับอะไรที่จะมองไม่เห็น กิจวัตรความเป็นอยู่ประจําวันแต่ละเพศแต่ละภูมิใครอยู่ในเพศไหนก็ทําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ผู้เป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็ทําหน้าที่ของพ่อบ้านแม่เรือนให้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่าให้บกพร่องต้องเรียนรู้หน้าที่ของตนมีอย่างไรนี่ ไม่ต้องไปคอยโทษคนอื่นว่าไม่ไม่ทำงานมีแต่ตัวคนเดียวเป็นผู้ทำอย่างนี้ไอตัวคนเดียวนั่นแหละทำให้เป็นตัวอย่างของคนอื่นคนอื่นเมื่อมันเขามองเห็นเป็นคุณงามความดีเขาก็เอาอย่างเขาก็เรียนตามเพราะคนเรานั้นเนี่ยมันมี สติปัญญายิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันไม่เท่าเทียมกันผู้มีปัญญานั่นแหละนำนำหน้าไปในโลกนี้นะก็เหมือนอย่างยุคสมัยพระพุทธเจ้านั่นนะก็เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกพระองค์นั่นแหละนำความประพฤติอันดีงามมานำพุทธบริษัททั้งหลายนั่นเองเมื่อเมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้เห็น ความเป็นอยู่เป็นไปของพระพุทธเจ้าแล้วก็พากันฝึกหัดเอาอย่างเานะพราะองค์นั้นไม่เบียดเบียนใครไม่ยกโทษติเตียนใครโดยไม่มีเหตุผลแต่ถ้าหากว่าพระองค์ทรงได้ตําหนิใครแล้วนั้นคนนั้นชั่วแน่นอนทีเดียวเพราะพระองค์รู้แจ้งนี่มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้เป็นบริษัทผู้เป็นสามุก ถ้าพระองค์ได้ทรงจำหนิ้ใครแล้วผู้นั้นรู้ตัวแล้วก็รีบตั้งใจละนิสัยอันชั่วที่พระองค์เจ้าทรงตำหนิดว่าไม่ดีนั้นเสียก็เลยกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้แต่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปถือโนนถือนี้ถือบุคคล ถือบุคคลถือสมมูิปัญญัติโดยไม่มีเหตุผลน่ะมันไม่ถูกต้องเราต้องถือเอาเหตุผลเป็นประมาณในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรากำหนดเหตุผลต่างๆเรื่องใดไรเกิดขึ้นอย่างนี้นะมันย่อมมีเหตุ ถ้ามันไม่มีเหตุก็ไม่มีเรื่องเรื่องดีก็ดีเรื่องชั่วกว็ดีมันก็เกิดมาจากเหตุอย่างนี้นะต้องให้สาวหาเหตุอย่าพึ่งวู่วามไปเสียใจหรือไปดีใจไปโกรกเกลเียดหรือว่าพอใจเสียก่อนเราต้องค้นหาเหตุผลในเรื่องนั้นนั้นก่อน คำว่าเรื่องนี้หมายคกามมันเกิดมาจากบุคคลนั่นแหละอืมไม่ไม่ใช่มาจากแห่งอื่นรู้ใจบุคคลนะเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทาขึ้นให้เรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆเรื่องผิดเรื่องถูกผู้มีความเห็นผิดการทำการพูดอะไรมันก็ผิดไปอย่างนี้นะผิดจากํำนองคลองทำไปถ้าผู้มีความเห็นถูกเห็นชอบ การทำอะไรพูดอะไรก็มักจะถูกมักจะชอบไปในเรื่องนั้นนั้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันแสดงออกมาจากจิตใจนูนความเราพึติทางกายทางวาจาดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าทุกคนยังไม่สิ้นกิเลสตัณหายังจะต้องทำความเพียรละกิเลสตัณหาอยู่เนี่ย เราต้องกองรองสามคัคคีกันต้องให้อภัยต่อกันเลยกั น, กนในเมื่อฝ่ายหนึ่งประมาทพลาดพังไปอย่างนี้เราไม่ถือสาหาความกันเราให้อภัยกันไปฝ่ายที่ตนผู้ประมาทก็ควรพิจารณาให้รู้ตัวนะเนรู้ตัวว่าตัวเผลอไปอย่างนี้ก็ ขอขอโทษต่อเพื่อนก็ขอโทษไปอย่าไปถือทิฏิมานะไว้ว่าตนน่ะดีตลอดเวลาไม่ยอมรับผิดไม่ยอมขอโทษใครไอ้อย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยให้ฟากันเข้าใจไอ้โทษทั้งหลายนี่มันจะหมดไปได้ก็เพราะเมื่อบุคคลได้ ระลึกได้แล้วอย่างนี้ย่อมสารภาพลงไปออต่อมูลต่อคณะต่อบุคคลเมื่อได้ได้ล่วงเกินบุกต่อบุคคลก็ย่อมสารภาพผิดต่อบุคคลขอโทษอืมเมื่อบุคคลนั้นอาโหสิกรรมไปแล้วโทษทั้งหลายเหล่านั้นก็ระงับไปอย่างนี้ถ้าเป็นการทําความผิด แก่หมู่แก่คณะอย่างนี้เราก็ขอโทษต่อหมู่ต่อคณะไปเมื่อหมู่คณะอาโหสิกรรมไม่ไปแล้วโทษนั้นก็หมดไปในทางวินัยท่านยังว่าให้แสดงอาบัติเมื่อตอนได้ประพฤติล่วงสิขาบทข้อใดข้อหนึ่งเข้าไปแล้วก็เท่ากับว่าได้ทงความผิดอันเป็นโทษส่วนตัว ลงไปนี่ทรงอนุญาตให้ไปสารภาพผิดต่อผู้ดใดผู้หนึ่งอย่างนี้แล้วผู้นั้นรู้รับรู้ด้วยแล้วเตือนให้สำรวมระวังต่อไปตนก็ยอมรับว่าจะสำรวมระวังต่อไปอย่างนี้นะโทษนั่นก็หมดไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานีความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะอบรมจิตใจให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาแล้วก็จะได้รู้เรื่องราวของตัวเองรู้ว่าตัวเองนั่นยึดมั่นถือมั่นกีเลตันหาอะไรไวมากน้อยเท่าไรยึดเอาความชั่วไว้เท่าไร ก็จะได้รู้ตนแล้วก็มา พ, พิจารณาว่าตนนั้นเนี่ยได้ทำความดีอะไรมาเท่าไรแล้วได้ละความชั่วออกจากตัวเท่าไรส่วนที่ตนยังละไม่ได้นั้นมีอะไรบ้างนี่ทุกคนมันต้องพิจารณาให้รู้เรื่องของตัวเองจะให้คนอื่นรู้ให้นะมันไม่ได้ เพราะกิเลสมันอยู่ในจิตใจของใครของเราดังนั้นถ้าเราไม่ฝึ ก, กจิตให้เข้าถึงความส ง, งบเสียก่อนมันจึงรู้เรื่องของกิเลสอันมันมีอยู่ในใจไม่ได้ถ้าปล่อยให้กิเลสหุ่มห่ออยู่อย่างนี้นะจิตก็มืดมิดไม่มีปัญญาที่จะรู้ได้ว่าบาปไปอย่างนี้บุญไปอย่างนี้คุณโทษไปอย่างนี้ อย่างนี้มันจะรู้ได้ยังไงอ่ะทุกเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างนี้ความดับทุกดับตรงนี้หมดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเราต้องปฏิบัติอย่างนี้จึงเป็นไปเพื่อความดับทุกได้อย่างนี้นะมันรู้ไม่ได้ถ้าหากว่าปล่อยให้โมหะความหลงครอบงำจิตใจอยู่ ดังนั้นแหละจึงว่าการฝึกฝนอบรมจิตนี่จึงเป็นสิ่งควรทำถ้าผู้ใดไม่คิดที่จะฝึกฝนจิตใจตัวเองเช่นนี้มันก็จมอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์เรื่อยไปอย่างนี้แหละเพราะไม่รู้จักหนทางออกจากทุกข์นะ <c oughs> ไม่ทราบว่าจะออกทางไหนออกจากทุกข์นี่อนนี้เนี่มืดมนลยคนส่วนมากนะ เขาเยอยู่ไปตามยถากรรมอย่างนั้นแหละสุนแล้วแต่บุญกรรมบาปกรรมมันจะนําไปยังไงก็แล้วแต่มันคนส่วนมากมักจะเป็นอย่างนี้เลยแสดงออกตลอดคําพูดคําจาก็มักจะพูดกันอย่างนี้แหละแล้วแต่แล้วแต่บุญธรรมกรรมแต่งนอนันเดบอกคนเรานะ้มันจนกรอกแล้วมันไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นช่องทาง ออกจากทุกได้เมื่อผู้ใดหากได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบ่อยๆเข้าไปมันจะเกิดความรู้ความฉลาดมองเห็นช่องทางออกจากทุก์ได้ เ, เราจะออกทางไหนพระศาสดาทรงสอนให้เราออกจากทุกโดยทางไหนมีอยู่หลายทางนั่นแหละมีอยู่ทั้งแปดทางนั่นแปดสายนั่นทางออกจากทุก แต่ว่าเมื่อรวมให้สั้นเข้าแล้วทางออกจากทุกข์ก็ได้แก่การสำรวมจิตใจดวงเดียวนี้แหละการฝึกจิตให้เข้าถึงความสงบการสำรวมจิตไม่ให้คิดไปในทางบาปอกุศล น, นี่นี่เป็นทางที่รูปรัตตัดตอนเลย เมือ่อผู้ใดสัมรวมจิตได้ไหมฮไม่คิดไปทางอากุศลเช่นอย่างว่าไม่คิดโลภอยากได้สมบัติผู้อื่นเอาเป็นของตนอย่างนี้นะก็ชื่อว่าคิดไม่โลภคิดชื่อว่าไม่คิดไปในทางอากุศลถ้าเห็นสมบัติของคนอื่นมากๆ้ะคิดอยากได้คิดจะช่อดจะโกงเอาสมบัติผู้อื่นเอาเป็นของตนอย่างนี้ความคิดอย่างนี้นะท่านเรียกว่าความคิดที่เป็นอกุศ คิดโกรธคิดไม่พอใจให้ใครต่อใครแล้วก็ผูกโกรธนั่นไว้อย่างนี้นะคิดจะแก้แค้นอยู่นั่นน่ะนี่ความคิดอย่างนี้ชื่อว่าเป็นอกุศลผู้ใดคิดหลงคิดเมาคิดเห็นผิดเป็นชอบไปจากทํานองครองธรรมคิดสงสัยลังเลเรื่องาบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ต่าง ตลอดถึงคิดเห็นว่าร่างกายขันธ์ห้านี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเช่นนี้เรียกว่าเป็นผู้มีความคิดไปในทางบาปอกุศลถ้าหากว่ามันเห็นผิดไปเห็นเห็นเช่นว่าทําบุญไม่ได้บุญมันก็ไม่ทําบุญนะเห็นว่าทําบาปไม่ได้บาปอย่างนี้นะมันก็ทําบาปอยู่ร่ําไปสิเพราะมันเห็นว่าทําบาปลงไปแล้วมัน มันเห็นว่าไม่เป็นบาปนี้อันนี่ยมันก็ทําบาปอยู่เรื่อยไปไม่ยอมละมันแหละมันเป็นนั่นหรือไม่เห็นไปว่าแม้จะทําความชั่วลงไปอย่างนี้ความชั่วนั้นมันก็ไม่ได้ให้ผลเป็นทุกข์แก่บุคคลผู้กระทำอย่างนี้นะนั่นอินเรียกว่าเป็นความเห็นผิดจากทํานองครองธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอืม เป็นความหลงเป็นบาปอากุศลเรือว่าความคิดอันนั้นเป็นความคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลทุกวนในพิจารณาดูใจของตัวเองว่าตนตนเองมีความคิดที่เป็นอกุศลอย่างนี้หรือไม่แต่ถ้าหากว่าไม่ได้คิดอย่างว่านี้ก็แสดงว่าตนไม่ได้คิดเป็นอกุศลความคิด ในใจของต น, นไม่เป็นบาปอากุศลฉะน้นคิดอย่างไรอ่ะเมื่อไม่คิดเป็นอกุศลก็ต้องคิดเป็นทางอากุศเป็นทางกุศลบ่านี้เช่นอย่างว่าเรามีสมบัติของเราอยู่แล้วเราไม่ป่าธนาไม่ยือ้อไปยื้อแย่งเอสมบัติพวกอื่นแล้วก็ยังคิดแบ่งสรรพันส่วนบริโภคใช้สอยตัวเองบ้างครอบครัวบ้าง หลือใช้หลือจ่ายก็ยังจำแนกแจ ก, กทานไปอย่างนี้นะไม่หวงแหนไม่โดย ไ, ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์อะไรความคิดอย่างนี้ท่านเนี่ยบอกเป็นความคิดที่เป็นกุศลแล้วความคิดอีกอย่างห น, นึ่งเรียว่าความประกรอบไปด้วยเมตตาการุณาความคิดที่ปรารถนาอยากจะให้ สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันไปคิดจองกคำจองเวรใครคิดแตจะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นให้เป็นสุขคิดช่วยตัวเองให้เป็นสุขไปพร้อมๆกันความคิดอย่างนี้ท่านเรียก ว, ว่าเป็นฝ่ายกุศลเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นกลมกันข้ามกับความคิดอิจฉาเบียดเบียนบุญก บ, บาเหมือนฝ่ามือกับหลังมือนี่เองนะ ไม่ใช่อยู่ไกลกันอะไรพราะจิตคิดเป็นบาปขึ้นมาบุญก็หายเพราะจิตคิดเป็นบุญกุศลขึ้นมาบาปก็หายมันเป็นอย่างนี้แหละให้สังเกตดูดังนั้นเมื่อรู้กันอย่างนี้แล้วก็จะพากันประมาท ให้มีสติสำรวมจิตใจของตนเสมอไปอย่าให้จิตมันคิดเป็นอกุศลดางกล่าวนั้นนะขึ้นมาเราต้องตามรักษาจิตอยู่เสมอเสมอไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีไปเช่นนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าเราจะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบุญกุศลออตลอดถึงคุณพระรัตานาไกล ก็อยู่รวมกันกับบุญกับกุศลนั่นแหละอันนี้หลยได้ชื่อว่าเป็นช่องทางที่จะให้เราได้รับความสุขอันเป็นแก่นเป็นสารเรื่อยๆไปจนควรจะได้บรรลุถึงความสุขอันเป็นแก่นสารจริงๆคือพระนิพพานเราต้องได้รับความสุขจากบุญจากกุศล จากการละความชั่วออกจากกายวาจาใจเสียกอนอย่างนี้มันถึงจะได้บรรลุถึงความสุขอันเป็นแก่นสารอย่างจริงเคอพระนิพพานดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้